ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสาหรับตอนนี้เรื่องหนีนรกเป็นตอนที่ยี่สิบก็ถือว่าเป็นตอนจบจบเรื่องราวที่เราจะหนีนรกกันแล้วก็ยังไม่หยุดจะมีสองตอนคือเป็นตอนที่ย1ทอยี่ส2องเป็นรายการสรุปเรื่องการหนีนรกเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัท ไม่อยากจะฟังนานๆก็อตอนสรุปไปฟังก็หมดเรื่องกันง่ายดีอยากจะฟังจุระเอียดบ้างแต่ไม่ละเอียดมากนักก็ฟังม า, าสิบคัดเศษแค่ยี่สิบตอนถ้าอยากจะฟังสั้นๆก็เอาไปคัดเศษเดียวคือก็เศษที่ยี่สิบเอ็ดกับยี่ิบสองขอโทษคัดเศษที่สิบเอ็ดตอนสุดท้ายถ้าเป็นตอนก็เป็นตอนยี่สิบที่ยิบสองสองหน้า ตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบที่เราพูดไปเลยบรรดาเทพุทธบริสัทความเห็นชอบที่เป็นตัวปัญญาถ้าจะถามว่าจะเห็นชอบอะไรจริงจะถูกก็ต้องเห็นชอบตามคําสองสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งแปดหมืน่นสี่พันธฐมคัน ถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทบริษัทุท่านจะเห็นชอบไหวไหมก็มีทุกท่านอาจจะตอบได้โดยเห็นชอบค็รับแต่มันจําไม่ได้เห็นชอบค็รับเห็นท้อจ้ะข้าแต่ปฏิบัติตามไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรพระกาตั้งแปดหมื่นสี่พันบรรดาบังขันเอาแค่จําอย่างเดียวยังจําไม่ได้หมด เราจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้ยังไงก็ต้องเห็นชอบกรรมตามขอบเขตขอบเขตที่เราปฏิบัติ ต, ตอนไหนเวลานี้เราปฏิบัติเพื่อห น, นีนรกกันนรกนี่มรรดาแต่พรพุทธบริษัทใครใคก็ไม่ชอบเราไม่หนีแต่นรกอย่างเดียวหนีความเป็นเปรต เนี่ยความเป็นอสุรกายนีความเป็นสัจจิจารณ์ถา้ถาถ้าถามว่าทำไมจึงต้องหนีตอนนี้สมาธิที่นี่เป็นตัวปัญญาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาทบทวนด้วยความจำทบทวนความจำเรียกว่าสัญญาปัญญาเป็นการรอบรู้ต้องใช้สัญญาทบทวนไปว่าตั้งแต่วันนี้ไปจึงกว่าจะเป็นเด็ จำความได้เราเกิดมากี่ปีแล้วเราทาอะไรบ้างและก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยพิจารณ า, าการกระทาของเราก็ดีความพูดก็ดีวาจาที่พูดก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นบุญทั้งหมดหรือเป็นบาปบ้างคำว่าบุญคือความดีบาปคือความชั่ว เราทำชั่วเราพูดชั่วเราคิดชั่วบ้างหรือเปล่าเราทำดีเราพูดดีเราคิดดีบ้างหรือเปล่าก็ต้องตอบได้ว่าเรามีทั้งสองประการทั้งดีและชั่วเรามีครัวกันไปความดีที่ทำไว้นะ่ไม่เป็นไรแน่อย่างเร็วที่สุดเราเกิดในสวรรค์ได้อย่างกลางเราเกิดเป็นพรหมได้ ถ้าดีถึงที่สุดเราจะไปนิพพานได้ดีน้อยลงไปกว่าเทวดาก็เกิดเป็นคนได้แต่การที่จะเปิดในสี่จุดนี่มันก็แสนยากเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจรารณาเพราะเราทำความดีมากด้วยความชั่วมากอารมณ์ของเราหนักในความดีด้วยความชั่วคนอื่นอาตมาไม่ทราบ สับอาตมาเองถ้าทบทนถอยหลังลงไปอารมณ์ในความชั่วมีมากกว่าอารมณ์ในความดีในตอนแก่นี้ก็เบาๆไปหน่อยก็แก่แล้วมาสู้อะไรใครก็ไม่ได้ก็เบาถ้าอยากจะโลบมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่สามารถจะทําไหมวแล้วตัวเองก็ลุกเปไปขึ้นได้เจ็ดออกหน้าไปแล้ว อย่างนี้แสดงความโลภหดไปเพราะความแก่นี่ความรักตนระวางเพศอยากจะแต่งงานกับใครเรื่องนี้ไม่ต้องพูดพูดไปก็ได้ประโยชน์อยากจะแต่งงานได้อยากได้แต่ไม่มีใครเขาแต่งด้วยก็เลยอารมณ์ยบนี้ก็หดไปถ้าจะบอกว่าสองด้การขาดไปซะเลยก็ยังได้ แต่ก็ามว่าขาดไปเพราะกำลังเป็นเพราะกำลังพรานาคามีที่เสิงใจใช่ไหมเรื่ความเป็นผ้ารหันสิงใจต้องตอบว่าไม่ใช่ขาดไปเพราะความแก่มันสู้ใครเขาไม่ได้แล้วไม่ใช่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวยังมีทางสู้นี่มันสู้ไม่ได้เลยเรื่องความรักไม่มีทางสู้เด็ขาดร0อยเปอร์ซ แต่คนที่มีอายุเจ็ดสิบแล้วที่ยังจะสู้คนอยู่มีหรือเปล่าไม่ทราบสู้กันได้ความรักอาตมาในบ่อต่อมานานแล้วได้ความอยากกลํารวยก็ตีแผ่มาตั้งแต่นู้นอายุสิบเจ็ดสิบแปดแล้วการคิดอยากกลํารวยไม่เมียไม่ได้เพียงคิดว่าทําให้มันพอกินทําให้มันเหลือกินมันจะรวยหรือไม่รวยก็ช่างหัวมันตอนนั้นพยายามทําให้มันเหลือกินไว้ ถ้าพอกินก็ไม่มีอะไรซื้อเสื้อเสื้อเกงมันต้องเหลือกินเอางเงินมาซื้อเสื้อซื้อเกงซื้อลองเท้าเสื้อหมวกเสื้อนาฬิกาข้อมือเสื้อแหวนใส่ซื้อสร้อยใสเอาเก็บไว้ใช้เมื่อความจำเป็นแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะรวยเนื่องเลิกมานานต่อไปก็กำลังของความโกรธความเยบา สมัยก่อนนี่เก่งเรื่องความโกรธพยพบาไม่ใช่เก่งไปฆ่าเขาไปตีเขาเก่งโกรธ เ, เก่งพยาบานโกรธใครปับ๊บนิ่งอึ้งพูดไม่ออกไอ้ไปพูดเนี่ยมันมันยันมันยันลิ้งแล้วกระดกไม่ไหวแต่ก็สร้างกําลังใจให้มันยิ้มไปเสมอให้ปากมันยิ้มโกรธเท่าไรก็ยังยิ้มก็โกรธไม่ดีแต่เวลานี้ถามยังโกรธไหมบอก แค่ไม่พอใจนิดหน่อยอาจจะมีแต่โกรธจริงๆไม่ไหวแล้วถ้าถึงคืนโกรธมากเท่าไรร่างกายก็สมมากเท่านั้นอย่าไปแล้วก็อย่าไปลองอย่าไปพิสูจน์ดีไม่ดีก็ไยความแก่เข้าว่าคนแก่อะไรตันหากลับตันหากลับไม่เป็นไรแต่วความโกรธกลับเป็นควาแย่ถ้าไปโกรธเขานั่งหนักเข้าจะตายภายในสามวัน ที่พยายามไม่โกรธเพราะรอะไรเพราะร่างกายมันไม่ดีก็เกรงว่าร่างกายจะสุดสมมากเกินไปจิตจะเศรมองมากเกินไปยั่งพยายามตั้งถ้าทำใจไม่โกรธแล้วจริงๆไม่โกรธแล้วไม่โกรธก็ไม่สาบจะไปลองมั้นะถ้าความโกรธกลับขึ้นมาแล้วก็แย่ดีมันไลา่าตัญหากลับถามที่สภาพเป็นความหลงจะไปหลงอะไรหรอกกลัวอย่างเดียวคือหลงจำไม่ได้ มันมีอะไรคนจะหลงบังความแก่สุดซนขนาดนี้เวลาเนี่ยไหนปีมาแล้วเป็นพระที่มีความเคร่งคัดมากไม่ยอมส่งกรจกถ้าถามว่าเคร่งในวินัยข้อไหนก็าตอจําไม่ได้เหมือนกันที่จาได้จริงๆก็คือว่าเวลาส่งกรจกที่ไรหน้ามันแปลกไปคล้ายผีไม่คล้ายผีดิบและไม่อยากมองหน้า ไอ้ที่ไม่ส่องกระจ ก, กไม่ได้เคร่งทาไม่ในคือไม่กล้าดูหน้าตัวเองถ้าตัวเองขนาดไม่กล้าดูหน้าตัวเองเนี่คนอื่นเขาอยากจะดูหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบกรงความว่าการอย่างนี้ไม่ใช่อวดความปเป็นพระรหันต์ที่บรรลุลงไปเพราะความแก่เรามาพูกเรื่องสัมมาทิฏฐิตอนนี้มาถอยหลังกันใหม่ถอยหลังว่าความเห็นชอบนี่จะชอบกันตรงไหน ก็ทำคำสั่งสมพระธรรมวมนัยที่พระเจ้าตรัสไว้ทักงแปดหมืน่นสี่พันประการแค่จำก็จำไม่ได้เวลานี้เราอยู่ในขอบเขยงการหนีนรกแล้วก็ถอยหลังลงไปดูว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายในจริงไหมก็เห็นยังไม่ต้องไปใช้ตำราที่ไหน คนตายให้เราดูมันก็ไม่เกือบจะนับไม่ทนถ้ารู้ทุกคนนับไม่ทนแน่คนที่ตายก่อนเราแก่ก็มีแก่มากก็มีแก่น้อยก็มีเสมอเราก็มีอ่อนกว่าเราก็มีเป็นเด็กเล็กกว่าเราเด็กมากๆ ก, ก็มีก็รวมความวัยชีวิตคนนี้เกิดมาแล้วต้องตายแน่ ตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงจัดถ้าทำชั่วจิตชั่วไปนรกเป็นต้นจิตสะอาดน้อยไปสวรรค์เข้มแข็งมากไปนิพพานอาขอโทษเข้มแข็งมากเป็นพรหมถ้าจิตไม่มยมสมบัติของโลกทั้งหมดไปนิพพานที่ตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เราเห็นชอบไหม เราอาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้แต่ในที่นี้ต้องเห็นชอบเราจะเห็นชอบได้ยังไงแล้วก็ต้องใช้วิชาที่พระพุทธเจ้าให้คือสองในวิชาสามห้าในปัญญา 6, หกถ้าไม่สามารถทำห้าในวิชาหกได้ก็ทำมโนยุทธิการเตรียมตัวเพื่อปัญญาใช้กำลังใจไม่เป็นของไม่ยาก เวลานี้เด็กเด็เล็กๆฝึกกันวันสองวันสามารถทำได้แล้วแล้วก็ใช้ปุกเพนิวาสามทิยานละทึกชาติถอยหลังลงไปใช้ตีตางติยานใช้ยานถอยหลังเข้าไปเเรื่องคนอื่นเท่านี้เราจะทราบว่าตายก่อนจะเกิดลรามาจากไหนแล้วใช้จูตูปปาติยาน ดูดูคนตายห้ือสัตว์ตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนได้ไม่ข้อนี้เป็นของไม่ยากเลยเท่านี้แล้วก็หมดความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตายแล้วมันต้องเกิดทำดีแล้วก็ดูนรกก็ได้ไปเที่ยวนรกไปสวรรค์ก็ได้เรื่องนี้เป็นของไม่ยากเราพิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อได้ว่าตายแล้วไม่ใจะไปพิเชิตสูรถ้าทําชั่วไปนรก ทำดีไปสวรรค์เป็นต้นนี่เราไปต้องการเราต้องการไปสวรรค์เป็นต้นนรกเราไม่ไปอบายภูมิเราไม่ไปก็ใช้กําลังใจคือความดีของใจใช้ปัญญาคอาช่วยสมาธิที่นี่เป็นตัวปัญญาพิจารณาความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีพิจารณาความดีใช้พิจารณาศินก้าทธรรมคือสินห้ากำหนดสิบ ทั้งหมดนี้ที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสมาข้อไหนบ้างที่ไม่ดีทเราความวานับถือพระพุทธเจ้าโดยนับถือพระธรรมโดยในตัวเสร็จแล้วก็ต้องนับถือพระอริยสงฆ์้วยเพราะความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เราจะรู้ขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระอริยสงฆ์ท่าน ร, บรวบรวมเข้าไว้แล้วนามาแจกจ่ายนํามาสอน พระอริยสมบินต้ตนก็ห้าร้อองค์แรกมีพระหมายก็สพเป็นประธานแล้วหลังๆมาท่านหละท่านหลายก็สังคายนาร้อยกรองอธิบายกันเลยมาเพื่อความเข้าใจของเราเราก็ยอมรับนับถือที่ท่านมีความดีช่วยสงเคราะห์เราถ้าท่านจะไปสร้างตำรับตำราขึ้นมาท่านนอนเฉยๆมันมีความสุขมาก แตาใสถ้ามีเมตตาอย่างองสมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าขือปฏิบัติตามกันพวกเราจะสามารถรู้วระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้ยอมรับนาถีพระสงฆ์อีกก็หมดเรื่องกันไปเรื่องใหญ่ที่เราต้องใช้ปัญญาเห็นชอบต้องใช้ปัญญานะ่ยชินห้ากับกรรมวจิเจะว่าควบกันไปเพราะแตกต่างมันแยกอยู่นิดหน่อย อย่างข้อปานาติบาตความโหดร้ายของจิตคิดจะฆ่าเขาบ้างคิดจะทำร้ายเขาบ้างหลือฆ่าเขาบ้างทำร้ายเขาบ้างอย่างนี้มันเป็นความดีหรือความชั่วล้วก็ทราบว่าคนที่ขาดเมตตาปราณีประเพรนมีแต่ความโหดร้ายไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวใครเขาคิดเขาทำกับเราแบบนั้นเราไม่ชอบ ถ้าเราไปทํากับเขาเราก็ไม่ชอบแล้วเขาเขาก็ไม่ชอบเราเราจะทํำยังไงเราก็แต่ทาเป็นคนใจดีใชมีเมตตาความรักกุณาความสงสารแล้วก็ยิ้มสบายไปไหนก็มีกําลังใจมีเพื่อนให้ความสุขใจเราก็เห็นชอบกับพระพุทธเจ้าว่าเออสิ่งข้อนี้มีประโยชน์กระหมดสิ่ข้อนี้เป็นประโยชน์ทําให้เรามีความสุข ข้อที่สองอาทินาทานกำบําบัดเก้าสิ่งก็เหมือนกันไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้ไม่แย่งใครไปไหนก็มีแต่คนไว้วางใจเป็นที่รักของคนทั้งหลายเราก็มีความสุขก็น่าปฏิบัติตามข้อการเมสุเมชาจารย์เราไม่เราไม่จะช่วเกินไปคําว่าเจ้าชูก็จะช่เฉพาะสามีพัญญาของเรา ไอคนเจ้าชู้นี่ต้องปากหวานรู้จักจาการเอาใจเพราะว่าทานอภัยแล้วก็ใหญ่ีร้อนต่โกนถามมณิย่าโยมพุทธบิษัทว่าท่านที่พูดในะทางเคยเจ้าชู้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าในชีวิตตระกามาไม่เคยเจ้าชู้เลยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กถึงแก่ไม่เคยเจ้าชู้ก็มีอย่างเียมีคนอื่นเขาเมตตา คนอื่นเขาเมตตาเราเราก็เมตตาเขาเขาเมตตาทีงเขารักเราเราก็รักเขาเขาสงสารเราเราก็สงสารเขาเขาหวังดีกับเราเราก็หวังดีกับเขาเท่านี้เองไม่ไม่เคยเจ้าชู้คนที่เจ้าชู้เขาบอกว่าต้องปากหวานปากหวานนี่ไม่ได้ทานน้าผึ้งคือเสียงหวานพูดเพราะพูดดีพูดตามความเป็นจริง แล้วก็ต้องรู้จักเอาใจกันถ้าขัดใจกันคนที่เราพอใจเขาก็ไม่รักมันต้องฉลาดไปกันเอาใจแล้วก็อาวิชานี้มาใช้ในบ้านของเราต่างคนต่างรักต่างคนต่างฝากหวานต่างคนต่างเอาใจกันยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเพราะความไปอยู่ไปสุขไม่ขัดใจกัน ต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างต่างคนต่างมีความเมตตาปราณีเึ่งกันในกันเป็นนว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรจะเจะ้าชู้เกินไปนี่ถกสามมาทิฏฐิเราเห็นชอบตามนี้พระเจ้าทรงตรัสแล้วต่อไปเรื่องวาจาวาจาที่ขอสับสุนทรผู้ท่านมาว่า นั่นแปลว่าคนจะชัว่วและดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหาเรงลิ้นที่ประครับประคองเสียงเปลี่ยออกไปนี้มีความสำคัญบรรดาเททนพุทธบริษัทปากขั้นแรกยิ้มก่อนพูดจำไห้ดีนะยิ้มก่อนพูดแล้วก็พูดให้ดีให้ถูกใจคนฟัง ถ้าถามว่าลุงตาแก่ที่พูดเนี่ยทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างแ้คือถามว่ามันแนะนำเขาทำไมก็บทแนะนำตามตํรราถ้าใครได้ทำได้จริงมีเสน่ห์จริงๆพูดยิ้มแล้วก็ก่อนพูดเวลาพูดก็พูดดีคือหนึ่งพูดตรงตามความเป็นจริงเราก็ชอบเขาก็ชอบ พูดวาจาไม่หยาบใครไม่สะเทือนใจคนรับฟังเราก็ชอบเขาก็ชอบพูดไม่เขาแตกเล่ากันมีความสามคัคคีมีความรักมีความกลมเกลียวกันอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบและพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบในเมื่อต่างคนต่างชอบต่างคนต่างพอใจความปริเสเน่งก็เกิดขึ้น กต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างนับถือกันแล้วก็มีแต่ความสุขก็เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าตกัดดีกว่าการพูดปดพูดยาพูดส่อเสียดเพื่อเจอริเหลวไหลอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องใครก็ไม่ชอบแล้วก็เลือกเอาเลือกไอ้การพูดปดพูดยาพูดส่อเสียดเพื่อเจอริเหลวไหลโยนทิ้งไปให้ไกลที่สุดสันจะไกลเอาไว้แต่พูดตามความเป็นจริง แล้วก็พูดวาจาไพเราะแล้วก็พูดให้เขาสามารถขีกันพูดต่วาจาที่เป็นประโยชน์ของอย่างนี้ดีแน่มีคนรักพระพุทธเจ้าท่านตัดถูกเข้นชอบด้วยเราเอาเอาเป็นประจำเลยอย่าลืมเพราะเตินพับยิ้มทันทีเขายิ้มกับใครอันดับแรกยิ้มกับเพรดานก่อนถ้านอนในมงง้งยิ้มกับเพรดานมงง้ง ถ้านอนในห้องไม่มีวงยิ้มกับไปด้านห้องพอลุกขึ้นมาเหลว้ายเลี้ยวขวายิ้มกับฝ้ายอีกไปหน้ากระจกยิ้มกระจกใช้ได้ยิ้มเถอไม่เป็นไรแต่ระวังถ้าอยู่คนเดียวยิ้มเฉยๆอยังใครก็เห็น่ะถ้าใครก็เห็นจะแทนที่เขาเห็นแล้วว่าดีเขาจะจับส่งปากโคลนสาวนว่ามันดีเกินไปการฝึกยิ้มใบเวลาใครก็พูดไม่ชอบใจเผลอยิ้มรับเข้าไว้ อย่างนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทปากยิ้มใจเขาก็ยิ้มไปด้วยเราก็มีความสุขเขมีคนรักถ้าเขาทำเขาพูดกับเราแบบนี้เราก็รักเขาเราพูดอย่างนี้กับเขาเขาก็รักเราถ้าต่างคนต่างรักกันในบรรดาแทนพุทธบริษัทหลาอะไรมันจะเกิดขึ้นความสุขที่ทันเกิดขึ้นนี่กำหมดสิบด้วยนะ ต่อไปเฉพาะสิ่งคือข้อสุราสุราดีกันในกำหนดสิบไม่มีเมือ่ออดีผู้ว่าท่านหนึ่งท่งจุดหมายถามมาว่ากรมนดสิบของท่านทำไมไม่มีไม่มีมมการห้ามดื่มสุราก็แสดงว่าการดื่มสุราเป็นของดีต้องขอประทานาภัยท่านไป็นอดีตผู้ว่าท่านเข้าใจพลาดไปนิดหนึง ความจริงกำหนดสิทธิไม่ใช่ของอัตมาเป็นของพระพุทธเจ้าท่านแต่คนมีกายดีวาจาดีมีใจดีไม่ต้องห้ามดื่มสุรามันไม่มันไม่ดื่มเองแต่คืนดื่มแล้วส่งความดีในกำหนดสิทธ์นี้ไม่ได้จิตใจเป็นกะเป๋ไปกายวาจาเป๋หมดใจก็เป๋หมดก็รวมความประการดื่มสุรามันไม่ใช่ของดีเมาแล้วก็มีสภาพเหมือนคนบ้า ดีไม่ดีมันเลยเกิดกว่านั้นดาบพ่อตีแม่ก็ได้ทุบลูกตีเมียก็ได้ทรัพย์สินนั่งหลายเสียหายไปเพื่อการนึ่งสุรามาเมรัยโดยได้ประโยชน์เวลาการงานที่มีขึ้นเอาเวลาไปกินสุรามันเสียเวลาการงานถ้าจะประกอบกิจการงานก็จะมีประโยชน์มากยังดึื่มสุรานั่งดื่มโซราวันนักครึ่งชั่วโมงถ้าสิบวันมันก็ห้าชั่วโมงร้อยวันก็ห้าสิบชั่วโมง อย่าลืมว่าเวลาเท่านี้สร้างประโยชน์ไม่น้อยเลยแล้ว่าทํำดนตรีก็เสียศักดิ์ศรีก็เสียก็ไม่ขอพูดมากเท่านี้เราเห็นดีตามพระพุทธเจ้าแล้วมันก็บรรทอนชีวิตคนดืมสุราไดเมไรพราะที่ร่างกายทุดโทรมอย่างหนักถ้าร่างกายยังไม่ทุดโทรมศักดิ์ศรีก็ทุดโทรมถ้าศักดิ์ศรียังไม่ทรุดโทรมทรัพย์สินก็ทุดโทรม พอซับถิ่นพอดื่มกับข้าวได้ไปดื่อเหล้ามากินมันไม่เกิดประโยชน์เลยเราก็เลิกเป็นคนไม่กินเหล้าดีกว่าลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งรับราชการเป็นนายทหารเวลานั้นเธอเป็นเรือโทอตาตมาไปพบข้าวเธอกินเหล้าถ้าปลายกเป็นนี่ดะเป็นนี่ลูกน้องอย่างได้ ต่อามาก็แนะนําถธอว่าไอ้การเป็นหนี้ลองเลิการกินเหล้าที่มันจะเป็นหนี้ไหมหนึ่งปีผ่านไปกลับไปใหม่เธอเลิกกินเหล้าตั้งแต่วันนั้นกลับไปคราวนี้แทนที่จะเป็นหนี้เธอเป็นเจ้าหนี้เขาแถมก็คุยวิทยุก็มีให้ลูกฟังโทรทัศน์ก็มีให้ลูกดูพราะการไม่กินเหล้านี่ระ บ, บ, บรรดาแทนพระตุภูษันหลายไอ้ปากคนเหล้ามันไม่โตแต่ช้างสรุลสา ม, มารถบินเข้าไปได้ มัเก็บบ้างเก็บเวลาการงานได้ทั้งหมดอ ง, งคท์ททสงเด็จพ่อหคตแท่นธรรมจงเว้นเสียจะมีความสุขนีิรุกได้แล้วก็เว้นเป็นนาวันหีได้แท่ต่อไปก็กําลังใจไม่คิดอยากได้ท ร, รัพย์สมบัติเขาบอกคนอืน่นไอ้ น, นี่เินชัดสัมมาทิฏฐิใช้ปัญญาได้อยากได้ทรัพย์ของเขามันจะมีประโยชน์อะไร เอาของเขามาโดยเขาไม่เต็มใจให้มันก็เป็นศัตรูกันถ้าเอามามันได้กําลังใจก็เป็นทุกข์กินไม่อิ่มนอนไม่หลับไม่เปิดการที่มาหากินเองดีชอบทําดีกว่าก็ดีสองความโกรธความย่ำแย บ, บจองล้างจองแผลงกันมันมีแต่รมเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเราต้องการความเป็นสุขคือความเมตตากรานี เมตตาความรักกุณาความสงสารใจสบายกว่ามีารมทุ่นชื้นในข้อที่สิสัมมาทิฏฐิคือข้อตัวเองข้อนี้ก็รวมความว่าถ้าเรามีความเห็นชอบตามออง ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเฉพาะในขอบเขตของสัญญชนสาเวลานี้เราปฏิบัติเท่านี้เราก็ใช้สัมมาทิฏฐิแค่นี้อย่าไปใช้กว้างเกินไปกว้างเกินไปมันจะเหลวไหลไร้ประโยชน์ ปฏิบัติไปไม่ได้อารมณ์ใจยัเป็นโทษมีคือมีความคลุ้มใช่แค่นี้ระบบรดาแทนพุทธบริษัทความสุขกายสุขใจของรรเดาทนพุทธบริษัทหลายจะมีมากขึ้นกว่าปกติมากและสมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าทรงตรัสว่าใช้กำลังกายวาจาใจคิดไฟเพียงเท่านี้เื่อร่วมต้นไม่ประมาทในความตาย ข้อต่อไปคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในสิน ห, าห้าด้วกันหมดสิทธิเท่านี้และบรรดาเทพพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคกล่าวว่าบาปทุกอย่างที่ทำมาแล้วไม่สามารถให้ผลแล้วได้ไม่สามารถลงโทษได้และก็นอกจากนั้นบรรดาเทพพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดจะมีเฉพาะเทวดาหรือผมกับมนุษย์เท่านั้นแล้วเกิดไม่นาน กำลังใจอ่อนเกิดมนุษย์เจชาติเป็นพระหลานกำลังใจอย่างกลางเกิดป็นมนุษย์อีกสามชาติเป็น เ, เป็นอาหลานถ้ากำลังใจเข้มข้นมากลับมาเกิดมนุษย์อีชาติเดียวเป็นพระหลานอรัม บ, บันดาท่านพุทธบุตรศาทุกท่านในเมื่อไปอาหลานแล้วก็จบ ก, กันที่ว่าจบ ก, การปฏิบัตินีนรกเพียงเท่านี้ต่อไปสองตอนคือตอนยี่สิบเอกับยีบสองเป็นบทสรุป ขบรนดาเต็มพุทธบริษัททั้งหลายคอยรับฟังต่อไปเวลานี้ก็หมดเวลานี้แล้วหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาเต็มพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี